พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลําบากพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจำบรญสาในแคว้นกาสีเมื่อมาเฝ้าพระองค์ที่เมืองนี้เดินทางผ่านกีตาคิรีชนบทเวลาเช้าครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกีตาคิรีชนบทอุบาสกคนหนึ่งเห็นข้าพระพุทธเจ้ากําลังเที่ยวบิณฑบาตเข้ามาหาไหว้และถามว่าพระคุณเจ้า ได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมครับเขากล่าวว่าท่านครับถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล้าวและขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวัดในกีตาคิรีชนบทสุดโสมภิกษุชื่อว่าอัศชิและปุณพาสุกะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ในกีตาคิรีชนบทเป็นภิกษุอลัชีเลวสาม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 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงภิกษุทั้งหลายไปสู่กีตาคิรีชนบทเพื่อวัดจะได้ตั้งมั่นอยู่สืบไปในที่นั้นข้าพระพุทธเจ้ามาจากกีตาคิรีชนบทนั้นพระพุทธเจ้าข้า